ฤทธิ์เป็นไงฤทธิ์ดีทำถูกแล้วมากครับถอยมาตั้งหลักทําถูกแล้ว เอ่อก็คือเอ่อช่วงอ่ะค่ะที่เอ่อค่ะตอน คืออารมณ์ไม่ขึ้นลงก็ไม่เป็นไร ขอขออนุญาตถามคําถามนึงได้ค่ะเอ่อคือเวลาใช่มั้ยคะใช่ ถ้าปัญญาเราแก่รอบพอแล้วปัญญาแก่รอบนิ่ง มีบางครั้งจิตก็ระลึกรู้กายบางครั้งจิตระลึก ไม่ถึงฐานมันหลบมั้ยนั่นแหละไปดูเลยนะเนี่ยแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเอ้า เคยมามั้ยคนนี้คือเพิ่งเคยมาครั้งแรกที่นี่อ่ะค่ะ คุณทำงานอ๋ออันนี้อืมไม่มีอะไรทําหางานต้องหางานทําที่ทําค่ะให้รู้ เนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบมั้ยใจไหลไปแล้วใจ จะบอกแล้วยังไม่รู้นะก็ต้องต้องฟังอีกนาน อย่างคนค่อยๆเดินไปๆนะๆค่อยๆทําไปได้สุดๆ อยากจะกราบเรียนถามอีกข้อนึงนะคะว่าๆหลายๆหลาย แต่มันก็สู้ไม่ได้อ่ะให้ดูที่ใจเราเก็บไปฟังเสียง ในบ้านในเมืองก็มีแล้วไม่ใช่ แผ่ทานกุศลที่เราทํามาไว้ในชาติก่อนค่ะอุ๊ยทําไมให้ชาติก่อนชาตินี้ไม่ ค่อยๆพวกนี้นะมีเคล็ดลับอ่ะ ค่ะยังมีโมหะค่ะค่ะๆ ขึ้นๆลงๆเหมือนกับว่าบางช่วง ทั้งเทียวว่าโทสะก็มีเห็นชัดๆบางทีก็มันครับถ้าเราภาวนาไม่ ไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบโดยหน้าเพื่อ โดยธรรมดาของขันธ์เนี่ยขันธ์เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะ แต่ว่าเราจะรู้ความจิตใจก็ปรุงแต่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ แม้จิตมีความโกรธขึ้นมาไม่ใช่อยากให้ ขันธ์มันปรุงแต่งของมันเองนะบังคับ คือการทํางานทางใจนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีตัณหาขึ้นมาเรา ก็เข้าใจเลยขันธ์นี้เป็นกองทุกข์ล้วนๆเนี่ยเรียก จิตใจพอมันหมดความอยากหมดความติ้นรนมันจะเข้าถึง ในที่พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์หรือ เห็นชัดๆเลยเพราะแสดงไตรลักษณ์ตลอดถ้าไม่ใช่เรานะมันจะวางขันธ์พอวางขันธ์<ใช> ตรงนี้อ่ะทราบรู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ คิดคำถามน่ะลืมไปเอ้าจากจะมี หลายระดับหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ๆหลวงพ่อก็ไม่กล้า สติที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือๆขึ้นมาอึด ใจที่โปร่งโล่งเบาเป็นกุศลนะเป็นมหากุศลจิตใจที่ มันทําอารัมมณุปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์เป็นสัมถะนะจิตตั้งมั่นสักว่ารู้อารมณ์นี่ นี่พอมีจิตผู้รู้รับมารู้กายเนี่ยนะ นั้นยังปลดขึ้นมาเราปลดหนอปลดหนอ จิตไม่เที่ยงเพราะจิตเมื่อวานกับจิตวันนี้ไม่เหมือนกันๆไปเล็กๆมีๆหมดขั้นอยู่แล้วจิตอีกดวง งานที่เราทําอยู่ส่วนใหญ่ได้ๆ 4-5 ปีเอ้า คือโยมนึกออกแล้วครับพุทธาซ้อมไว้นะคือเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ อ่าเช้าวันนี้ครับ ออกเจริญด้วยปัญญายิ่งเพราะงั้นครับเลิกซะส่งไมค์เนี่ยนะ หลุดเข้าช่องไปทําได้เป็นไรสมาถะครับแล้วก็เออดูยากเหรอ a bankon beledne, de a bankon beledne, mert a bankon beledne, a bankon a a a a a a a a a นะถ้าหลักก็คือมันเป็นอย่างนั้นครับบางทีๆมันมันมีการรู้บาง ดั่วมั้ยหลังกินข้าวอ่ะครับอ๋อหลังกินข้าวแล้วฟุ้งเหรอ ยังไปอัดมันซื่ออือก็ไปเออครับก็เอ่อตื่นเต้น ทําอย่างนี้เอกลักษณ์ค่ะพุ่งล้ําปฏิบัติค่ะเอ้ยค่ะสังเกตใจเราแต่ละ แต่เราเห็นหน้าคนนี้ก็รู้สึกเราเป็น หัดไหว้พระสวดมนต์ทุกแล้วก็หัดดูใจไปเช่นเรา แล้วสติจะเกิดในชีวิตประจําวันค่ะทุกวันถ้าเราซ้อมรู้ <ฮ ะ. S 1> สติเอมีฐิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดธีระสัญญาขอ ไม่มีอะไรเลยท่องกอไก่เค้าใครก็ได้ก็ เพราะแล้วศาสนาพุทธถ้าจะแย่แล้วถ้าใครเข้ามาได้ยินแล้ว <laughs> เก่งนะงี้เก่งไปเจอท่านแล้วสนุกสุดๆคือบางที เอาไอ้ตรงความสุขตรงนั้นมารู้อารมณ์หลังจากถอนแล้วครับอืมดี ปัจจุบันนี้ลดลงไม่เนี่ยๆเป็นสัจธรรมเริ่มเห็นว่าอือ ที่หลวงพ่อพูดอย่าเวลานั่งให้รู้ว่านั่งแต่ 24 เนี่ย ทวารทั้ง 6 โดยเฉพาะใจธรรมารมณ์ๆว่าสมมุติเราเออนี่นะจิต เพราะว่าเห็นไปเนี่ยมันร้อนรุ่มอ่ะครับพอมัน มันก็ตั้งอยู่บางทีก็ดับ เป็นเหมือนเห็นในการอ่านประกอบ มันมันจะหยุดจริงๆเกิดจากกระบวนการขันทั้งนั้นน่ะ แต่ขณะนี้เนี่ยถ้าถามว่าเห็นกายว่าๆเนี่ยมา ที่สงบแต่ไปก็ไปก็ไม่ยั่งยืนนะครับมันก็เดี๋ยวอ่ะครับใจมันเริ่ม ปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะสามารถเห็นได้ว่าๆเห็นเงาๆ แล้วตาวันอ๋อก็รู้เออก็ จะทนทุกข์ๆก็ก็ วันนึงพวกผู้หญิงอยู่บ้านพากันไปทํานาพวกผู้ชายไปทํางานทํานาพวกอ๋อลูกชายตายแล้ว ซัพพายก็รู้ว่าสามีตายแล้วก็ไม่ไม่เสียใจอะไรถึง นี่คนมีปัญญานะไม่ทุกข์หรอกคนไม่ๆนี่สอนธรรมะๆลูกอกตัญญูนะใช่ค่ะหลวงอาก็รู้ ก็ร้องไปทำนิมนิดหน่อยค่ะเออนะเดี๋ยวเค้าจะ แต่จิตขณะนี้มีโมหะเธอเวลาภาวนามันบางวันดีบางวันไม่ดีครับ ให้รู้ทันดีแต่ว่ามันมันทําให้มึน จันโนวิชใช้ได้นะนี่จานนี้ก็ดีแล้วดีขึ้นแล้วพวดอ่ะครับต้มตอนเช้าดูเหมือนไม่มีอะไรตะหนักมากสัตว์ มาที่เอ่อเชื่อในคําสอนน่ะค่ะเอ่อค่ะ รู้สึกแม้มันจะกระด้างมันค่ะเวลาเวลาอยากจะนั่งสมาธินี่ค่ะเป็นค่ะรู้เอ่อ แต่ที่บ้านน่ะมีกันแค่ คน. 2 คนเวลาเวลาเดินเหมือน ส่วนมันจะจริงหรือมันจะปลอมไม่มีความหมายอะไรเรื่อง ดูสภาวะอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนเคยรู้สึกว่านี้ ครับให้มันคลายออกครับแต่ทางใจอย่าไปกดมัน ก็กำลังเคลื่อนก็ครับๆได้ได้นะผู้ครับ นั่นแบบดาวฤกษ์ให้รู้ทันใจที่บังคับฤกษ์อยู่ห่างกับมัวไปหน่อยๆ2 ที รับไมค์มาแล้วตื่นเป็นใช่ค่ะเพิ่งหลวงพ่อเลยท่วงเวลานิด หนูไม่แน่ใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรนะคะหลวงพ่อที่ว่าพอมาถึงอะไร อายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพหนู รากเหง้าของมันคือความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้อริยสัจ เราไม่เห็นว่ากายกับใจจริงๆเป็นตัวทุกข์ๆเป็นสมบัติของโลกๆเนี่ยคือตัวอวิชชาเพราะ นะเรียนย่าย่าอย่างนี้กันนะแค่ ดูใจอย่างที่ท่านสอนนะเนี่ยอ่ะ ก็เลยจะนั่งสมาธิน้อยมากคือมันมันมีความรู้สึกใช่ไม่ผิดหรอกก็เลยรับ เสียเวลาค่ะก็อย่างนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าเราคงจะทําพอแล้วใช่แล้วก็พักน้ําพักให้พอค่ะแล้ว ใช่ค่ะจะรู้สึกถูกแล้วใช่มั้ยคะถูกละก่อนอื่นมีความรู้ ปฏิบัติพอนึกได้แล้วอย่าไปดึงมานะไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ดึงมัน เอาอะไรวัดว่าเป็นบางทีบางวันมันเผลอทีเดียว กมังความเศร้าเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็จ๋ัวนะดูอย่างเป็นกลางดีแล้วถูก แต่เราเราไม่ได้ทํานะฮะมันก็ตรึงของมันยังอะไรนะเรา ไม่มันเคยชินแล้วมันเคยชินอย่าท้อคือคือหลังๆนี้ใช่มันน้อยลง เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่พอๆอายุเอออายุไม่หมดหรอกนะ ชาตินี้ทํายังไม่เสร็จค่อยต่อชาติหน้าต้องทํา พยายามควบคุมตัวเองเจ้าค่ะแต่ๆเจ้าค่ะๆไม่เจ้าๆ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 ติดที่การบังคับตัวเองอยู่หน่อยเดียว 3 เดือน เมื่อ 2-3 บลังกอ่ะค่ะ แข็งคอลงจากๆเข้าใกล้เมดูซ่าเส้นแล้วกลายเป็นๆก็คือไอ้ ความครับไม่ต้องไปทําอะไรกับมันใช่มั้ยครับครับเสระครับท่านจะหัน แล้วขัดสติแป๊บนึงเนี่ยให้รู้ทันโอ้คือ แต่ก่อนที่เคยฝึกคือดูเวทนาตาย พอมาให้เห็นว่าไม่ต้องค่อยๆค่ะนะจงใจแยกออกมาเดี๋ยวค่ะแต่ละ กายเวทนาจิตนะค่ะนะทั้งกายทั้งเร็วนะไม่พร้อมอ่ะแต่ว่า ทำไมเรายังรู้ใช่มันมันเกิดตับเร็วสติมันระลึก ค่ะแล้วนี้ตอนคือพอดีพูดถึงเรื่อง โซดาบันใช่มั้ยคะถึงอีกประเภทนึงใช่มั้ยคะอืมเป็น นั่นเป็นเองแล้วสักกายทิฏฐิขาดแล้วขาดเออถ้ายังค่ะงั้นดูไว้นะบางคนก็ไม่เรียนเรียนกรรมฐานมาว่า แล้วก็มีครั้งนึงคือตอนนั่งสมาธิใช่มั้ยคะดูดูรูป ทุกคนค่ะ